สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะโดยมีดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์พรรายการของเรานะคะเป็นการจัดรายการครั้งแรกอยากให้พระอาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดรายการธรรมะส บ, สบายสบายค่ะ รายการธรรมะเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ว่าคนรู้สึกว่าเข้าวัดยาก<ช>แล้วก็มองเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมองเห็นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากปฏิบัติยากก็เลยคิดว่าเราน่าจะทํารายการสั ก, กรายการหนึ่งเนี่ยที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคนให้มาเข้าใจว่าธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายๆนะ เนื่องจากวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งแรกนะคะคนเราเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าวัดหลายๆคนก็คงจะขัดเขินไปบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะว่าคําภาษาบาลีบางคนก็จะไม่รู้จักอยากให้พระอาจารย์พูดถึงาศาสนพิธีสําหรับคนที่จะเริ่มต้นเข้าวัดค่ะคุณพาคืออันนี้ อ้างไปถึงตอนที่ว่าเราก่อนบวชเลยนะเจ้าค่ะก่อนบวชนี่นะเราก็คิดถึงภาพว่าโอวัดนี่มันพิธีรีตรองมากสับแสงภาษาบาลีเนี่ยโอยเยอะแยะมากเลยเราก็เข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงดีเจ้าค่ะทีนี้อา่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าวัดจุดประสงค์เนี่ยมันก็มีอยู่หลักๆที่เราเข้าใจกันก็คือทําบุญ ใ, ให้ทานนะทีนี้การให้บุญเอ่อทำบุญให้ทานเนี่ยก็ติดตรงที่ว่า รู้สึกยากเหลือเกินต้องมีคำภาษาบาลีอีกเช่นเดียวกันนะที่ถ้าเรารู้เกี่ยวกับภาษาบาลีรู้วิธีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าวัดได้อย่างสบายแล้วก็ได้บุญไปตามวัตถุประสงค์นะแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการเข้าวัดจริงๆอีกอันนึงก็คือว่าได้มาฟังคาสอนสิ่งที่พรเจ้าเนี่ยได้ได้ตรัสรู้แล้วเราก็ ไปเอาตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงการเข้าวัดด้วยอกันหนึ่งเค่ะงั้นงนขอให้อาจารย์บอกท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเริ่มต้นของการเข้าวัดเวลาประกอบศาสนพิธีเนี่ยอย่างเช่นว่าสวดบทบาลีบทไหนเราจะต้องทํำยังไงบ้างอะคะอ่ะเริ่มต้นเนี่ยอย่างผมแอเข้าเข้าวัดเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าไปทําบุญเนี่ยคิดว่าต้องเจออะไรบ้างล่ะก็อาจจะมีงานทําบุญวันเกิด ทำบุญางานศพอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็คงจะไปเจอพิธีการก็มีนิมนต์พระมานั่งอแล้วพรก็ต้องสวดแต่ถ้ า, าถามว่าโยมทราบไหมว่าบาลีบทไหนเป็นยังไง ก, ก็พอจะทราบบ้างเช่นตอนกรวดน้ำํำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามขั้นตอนคงจะบอกลําดับขั้นไม่ได้เจ้าค่ะก็คือว่าเวลาเราเข้าวัดเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการไปถวายสังฆทานเนี่ย ค, คิดว่าจะต้องเจออะไรบ้าง เราก็ต้องถือถังเข้าไปแล้วก็ก็รอให้พระบอกการขอศีนก็ขอไม่เป็นอืมนะทีนี้ถ้าเกิดไปเจอแบบรีบๆพระกำลังรีบๆอย่างเงี้ยก็จะต้องรู้สึกแบบอึดอัดที่หนึ่งนะเจ้าค่ะรีบๆสิขอศีนอะไรอย่างงี้นะซึ่งถือว่าเรารู้ตรงนี้นะเราก็จะสบายๆขึ้นเวลาทําบุญเนี่ยเวลาใจมันอึดอัดใจมันขุ่นมัวเนี่ยนะบุญมันก็ได้น้อยเพราะว่าบุญเนี่ยมันสําเร็จจากการที่ว่า บุญมันเป็นชื่อของความสุขนะถ้าทําแล้วใจสบายเนี่ยคือได้บุญจะทําทแล้วใจเนี่ย โ, โหกาแฟกาแฟอึดอัดเศร้หมองคุนมัวงอย่างนี้นะบุญมันก็แทบจะไม่ได้แหละวางันเถอะเพราะฉะนั้นเวลา ท, ทำบุญแล้วเนี่ยมันก็คืออย่างน้อยต้องได้ความสบายใจใจผ่องใสกลับไปเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องศาสนาพิธีบ้างเนี่ยเราก็จะทําใหเ้เราทําบุญเนี่ยใจเราก็เรื่องเริงสิ่งที่จะทําให้ใจเราขัดข้องขุนมัวเนี่ย ก็โดนกําจัดไปด้วยส่วนหนึ่งทีนี้เราก็มาถึงว่า<ม>ถ้าเราอยากถวายสังฆทานเนี่ยสิ่งแรกก็คือว่าเราก็จะเจอหนึ่งต้องอารัธนาศีลเป็นนะใช่ค่ะแล้วก็คําถวายสังฆทานอีกส่วนมากก็จะเป็นอที่โยมเห็นก็จะเป็นพระบอกให้พูดตามซะมากกว่าใช่ใ ช, ใช่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็คนมีความรู้ภาษาบาลีน่าจะจะดีกว่าสมัยนี้ใช่เจค่ะก็เลยว่าพอมัน ถึงยุคยุคหนึ่งเนี่ยคนก็ศึกษาบาลีน้อยลงคุ้นเคยกับวัดน้อยลงเพราะนั้นคำบาลีต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นเรื่องยากแล้วแล้วเราก็จะจำไม่ได้ด้วยทีนี้พอมันไปไปอยู่พักหนึ่งเนี่ยพระก็เลยใช้ลักษณะที่ว่าเราก็จำจำกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อนุมานว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยก็ต้องรัฐนาศีนเป็นกล่าวคำถวายสังฆทานเป็น แต่จริงๆแล้วสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะไม่เป็นเลยลไม่เป็นแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เราก็มาริ้มฟื้นตรงนี้กันใหม่นะะ <c oughs> อืมที่นี้ทําไมต้องขอสีน ล, ล่ะอ่าลองคิดดูสิทําไมต้องขอสิ อ, อจริงๆแล้วถ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนเราทั่วๆไปก็คงจะถือแค่สินห้าแล้วบางคนก็บอกว่าไม่กล้าที่จะขอศีนด้วยเพราะว่ารู้ว่าวันๆหนึง่งตัวเองอาจจะทําได้ไม่ครบรแต่ก็มี <ๆ S 3> ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ ยังไงก็ก็ใ ห, ให้ให้ขอศีลให้รับศีลไปใช่จริงๆแล้วมันเป็ น, น, นกุศโลบายนะของคนสมัยก่อนด้วยนะคืออันนี้มันก็ไม่มีใครบอกนะแต่เราเราคิดเราเองน ะ, ะ, ะว่า เ, เวลาทำบุญแล้วเนี่ยพู้เจ้าก็ตรัสไว้ว่าวิธีการทำบุญเนี่ยก็มีอยู่คือทานศีลภาวนาที่เขาเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสามเค่ะซึ่งเวลาทาบุญแล้วเนี่ยบบราจาร์เขาก็เลยคิดว่าเอยอยางงั้นก็ให้ได้ทาน แล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาให้มันถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยครบสามตัวจะดีมากทีนี้ให้ทานหรือการถวายสังฆทานเนี่ยก็คือส่วนของการให้ทานอีกอันหนึ่งก็คือศีลนี่แหละทีนี้ศีลนี่มันเป็ น, นการรักษานะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราอารัธนาไปแล้วเราก็จะไปรักษามันก็เลยเป็นกุศโลบายว่าก่อนที่จะให้ทานเนี่ยเราก็อารัธนาศีลด้วยอย่างนั้นะนะเพราะฉะนั้นคำอารัธนาศีลเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดย่อยอีกนิดนึงที่ว่าก็จะมีขั้นตอนอีกคืออย่างแรกก็พอกล่าวคำอรัตนสีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะต้องพูดกล่าวนโมตสะพูดทางสรนลังคฉามิซึ่งอย่างเงี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ฟังว่าทำไมขั้นตอนมันถึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจขั้นตอนนะมันก็จะสะดวกขึ้นแลวเราก็ช่วยในการจาเราด้วยนะ ปกติเข้าวัดก็จะหันหน้ามองกันแล้วก็ไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะก็จะหันหน้ามองกันแล้วก็บอกเอาสิเอาสิเกี่ยงกันเกี่ยงกันจะมีเกี่ยงกันแล้วก็ตอบไม่ได้อยู่ดีคนหน่ก็ไม่ไดพระเขาก็จะให้ยื่นหนังสือมาให้นิดเดีใช่เจ้าค่ะเราก็ดำน้ําตานหนังสือไปนะใช่เจ้าค่ะโดยที่ไม่เข้าใจด้วยไม่เข้าใจคําบาลีเหล่านั้นด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มต้นที่ว่าคําขอสีกันก่อนนะขอศีเนี่ยถ้า ไปกันหลายคนเนี่ยเราก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่ามะยังพันเตแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยก็คืออาหังพันเตนะอือาหังไม่แปลว่าเราก็คือคนเดียวมะยังก็คือพวกเรานะเพราะฉะนั้นคําเต็มๆมันก็จะว่าอันนี้คือหลายคนนะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณเนะสหปัญจศีลานิยาจามะทีนี้เราพูดภาษาบาลีอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะจํายากนะถ้าเรา รู้จักความหมายด้วยเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะใช่เจ้าค่ะเพ น, นั้นก็จะแปละฝั่งนะแปลว่าเราทั้งหลายออขอซึ่งศีลทั้งหลายห้าพร้อมกับสนนะทั้งหลายสามเพื่อรักษาเป็นข้อๆนะบางครั้งเราก็จะจะเห็นบางที่เขาตัดคาว่าวิสุงวิสงออกเพราะเขารักษาแบบเป็นแพ็กเกจ ทีนี้เราก็ใส่วิสุงวิสุงอาข้อไหนเราได้เราก็รักษาไปเพราะนั้นทีนี้ในคำขอศีลเนี่ยก็จะมีทั้งติสระเนสนะสหะซึ่งแปลว่าพร้อมกับสรณัททั้งหลายสามมันก็กลายเป็นประโย์ถึงขั้นตอนต่อไปที่เราจะเจอด้วยก็คือว่ามีการกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย เราก็จะมีคําว่านโมทสระขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นการให้เกียรติพระพุทธเนะจ้านะเวลาเราจะทําอะไรแล้วก็นอบน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นจึงก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยมากเราก็จะตั้งนโมกันก็เพราะว่าเรากระทาความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการที่เรากลาบเป็นภาษาบาลีนี่แหละว่านโมตทสระเพรฆวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสระ ซึ่งเวลาแปลออกมาแล้วเนี่ยก็แปลว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นเนี่ยเวลาคำแปลของธรโมโก็จะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้เราแสดงความนอบน้อมแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรากา็มาทำให้ที่พึ่งกับตัวเราก็เกิดขึ้นก็คือให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งกับเรา โดยเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็แปลว่าอ่าพุทธังสระนังขะฉามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งนี่นะมันไม่ใช่ว่าเป็นที่พึ่งทางไหนเหราก็คือที่พึ่งทางใจอนะเจ้าค่ะทำมังสาระานาังขะฉามิก็แปลว่าข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสาระนังขะฉามิก็แปลว่า ขอถึงพระธรรมเป็นเอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้เราก็กล่าวสามครั้งนะเพื่อแสดงความยืนยันว่าอ๋อนี่นะตั้งใจมากกล่าวถึงสามครั้งเลยนะทุติยมปีกตติยมปิกเจ้าค่ะอพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือว่าสีลละเป็นขั้นตอนของสีแส่และสินห้าก็เริ่มที่ปาณาติปาตาเวรมณีก็แปลว่าวอ งดเว้นการที่จะทําสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยให้ตกล่วงไปอาทินาทานาเว ร, รมณีก็แปลว่างดเว้นซึ่งการถือเอาสิ่งของที่บุคคลอื่นไม่ได้ให้ซึ่งข้อ3าเนี่ยก็คือการเมสุเ ม, มชาจาราเวรมณีแปลว่ า, าเว้นประพฤติผิดในกามก็คือไม่ประพฤติผิดในลูกใครเมียใครผัวใครอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อสก็คือมุสาวาธาเวรมณี คืองดเว้นที่จะไม่พูดปดข้อห้าคือสุรามรีระยะมัชประมาณสถานาเวรมณีก็งดเว้นในการดื่มของมืนเมาดื่มสุราต่างๆเหล่านี้เนันถ้าเราทำตรงนี้ได้ถ้าบอกว่าวิสุงวิสุงเนี่รรักษาข้อไหนข้อไหนก็ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีก็รักษาให้หมดแหละห้าข้อเจ้าค่ะถ้าเรถ้าเราท่องบทเหล่านี้ได้เนี่ย ก็ก็คงจะเข้าวัดก็คงไม่ต้องเกี่ยงกับเพื่อนละแน่นอนก็คงจะเข้าใจความหมายด้วยนะคะจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยตัวโยมก็ก็เขินเหมือนกันที่เราไม่สามารถท่องคำบาลีง่ายๆเหล่านี้ได้ก็น่าจะเรียนรู้ไว้เพราะเวลาเข้าวัดก็จะได้เวลามีใครเกี่ยงก็จะได้บอกได้พูดได้ไม่ต้องอาศัยพระนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากจะพระจะเป็นผู้บอก ให้เราพูดตามเยอริงๆงแล้วการที่เราอท่องได้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะหมายความว่าถ้าเราท่องได้เนี่ยมันก็เป็นความจําที่มันอยู่ในสมองเราอะ่ะเจค่ะเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเอ า, าอันนี้พอเราท่องห้าข้อได้แล้วเราจําได้เนี่ยว่าห้าข้อมีอะไรเนี่ยเวลาเราจะไปประพฤติผิดสมมติว่าอาไปเจอเพื่อนชวนไปกินเหลา้าอย่างเงี้ยเราก็อ๋อ อันนี้ข้อห้านะ เ, ออเร า, เราพยายามรักษาสีนะเพราะนั้นเราก็เอาไงดีล่ะพยายามเลี่ยงดีกว่าบอกปฏิเสธไปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เมื่อเราจำได้เนี่ยมันก็เป็นมีดที่มันอยู่ติดกับตัวเนี่ยเราก็มาใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปวิ่งควานหาอาวุธที่ไหนนะะแล้วทำไมเขาถึงให้รักษาสีล่ะรักษาสีมันดียังไงทาไมเราถึงต้องรักษาด้วยเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะเข้าใจตรงนี้ด้วยทีนี้เราก็บอกรักษาสีรักษาสีเราไม่รู้ว่ารักษาสีไม่ทําอะไรนะมันก็ไม่มีแรงจูงใจให้ไปรักษาสีนะอย่างน้อยๆถ้าเรารู้วัตถุประสงค์แล้วเนี่ยว่ารักษาสีนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้สองของการรักษาสีนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็จะดีมากซึ่งอันนี้สอของการรักษาสีนเนี่ยพระท่านก็จะขมวดไว้ตอนสุดท้ายนะว่าสีเลนะสุขติญจิตแปลว่า สีนะย่อมอยังให้ผู้ประพฤติเนี่ยไปสู่สุคติไปในสุคติก็คือไปที่ที่มันดีเจ้าค่ะสีเลนะภพกสัมมาทาถึงพร้อมเนี่ยอด้วยภพกษัพย์เนี่ยก็ด้วยสีในกันสีเลนะนิพุติญันติก็คืออสีเนี่ยก็ยังให้ถึงผลิพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกไว้ว่ า, วาตาสมาสีลังวิโสทะเย ก, ก็แปลว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จงยังศีลให้บริสุทธิ์พึงยังศีลให้บริสุทธิ์นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ญาติโยมหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยท่องจำศีลห้าข้อได้ส่วนมากก็จะท่องได้นะเจ้าค่ะถ้าท่องจำได้ก็เหมือนกับอยู่ในส่วนลึกของหัวใจใว่าเอ่อศีลข้อนี้พอเราจะไปเจอเหตุการณ์ที่จะทำให้ผิดจากศีลแต่ละข้ อ, อก็คงจะน่าจะละอายกับใจบ้างนะคะ ทีนี้อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นมันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่เห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่ทีนี้จะอธิบายอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการรักษาศีลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะกล่าวถึงแล้วก็มุ่งเน้นถึงลงไปที่จิตใจคนเราเนี่ยแหละทีนี้ก็ฉีกออกมาหน่อยหนึ่งนะว่าพระเจ้าเนี่ย สอนอะไรจุดมุ่งหมายของพระเจ้าเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรอย่แม่คิดว่าพระเจ้าเนี่ยสอนอะไรแล้วว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะก็สอนให้เดินทางสายกลางอืสอนใหเ้เป็นคนดีอืละเว้นจากความชั่วแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์จ้ะใช่อันนี้ก็เป็นคําตอบหนึ่งนะทีนี้ก็เรามาดูว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ อะไรพระเจ้าก็บอกว่ า, วาครั้งแรกที่เทศนาเลยนะก็บอกว่ า, วาเนี่ยเราตรัสรู้คือความจริงสี่อย่างความจริงสี่อย่างเนี่ยที่เราคุ้นหัวกันก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือความจริงที่ว่าเกี่ยวกับทุกขอันหนึ่งและ <Okay. S 1> แล้วก็อันที่สองคือความจริงที่เกี่ยวกับเหตุของทุกแล้วก็ความจริงที่เกี่ยวกับความดับของทุก แล้วก็ความจริงที่เกี่ยวกับทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเราจะเห็นว่ามันมีแต่คําว่าทุกทุกทุกทุกทุกอย่างเดียวเลยนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลสรุปกมากคือว่าเป็นทางเดินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกหมายความว่าเราทำไปแล้วจุดมุ่งหมายคือว่าทุกมันดับไปทุกมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติทําไปแล้วปฏิบัติตามคําสอนที่พระเจ้าว่าไว้เนี่ยจุดหมายปลายทางคือว่า เราจะเป็นผู้ที่ยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเนี่ยไม่มีความทุกข์วงเล็บนะทุกใจไม่มีหิวข้าวได้ปวดแข้งปวดขาได้นั่งไปก็ปวดหลังไปได้อย่างนนะเป็นตน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไม่มีก็คือทุกใจนี่แหละความทุกข์จะไม่ความทุกข์ใจเนี่ยที่มีเนี่ยที่เราละไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับกําำลิงขึ้นมาอีกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้น สีเนี่ยมันก็เป็นทางเดินอันหนึ่งเหมือนกันที่โยงเราเนี่ยไปถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายให้ง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเวลาเรามีสีเนี่ยถ้าเปรียบเป็นบ้านเนี่ยก็เหมือนบ้านที่มีรัว้วนะมีรั้วมีขอบเขตใช่หมายความว่าถ้าบ้านเราไม่มีรั้วเนี่ยใครๆก็เข้าบ้านเราสบายเลยเหมือนโจรเงี้ยอยากจะมาเข้าบ้านเราถ้าบ้านเราไม่มีรัว้วปุ๊บ โอ้ oh, เข้ามาทีนี้เราก็รักษายากแหละจะมาทางไหนทางไหนเราป้องกันไม่ได้เลยทีนี้เวลาเรามีสีเนี่ยก็เหมือนบ้านเรามีรัว้วรอบขอบชิดเจอเข้าก็เข้าทางประตูสมมติเรามีประตูหน้ากับประตูด้านหลังก็มีแค่สองทางเนี่ยให้เข้าได้เวลาเรามีสีเนี่ยความทุกข์มันก็จะโดนปิดออกไปห้าประตูก็คือทางสีนี่แหละก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัรพย์ไม่พูดผิดในกาลไม่พูดปด แล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาเนี่ยซึ่งถ้าเราประพฤติในสิ่งห้าอย่างเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็นำเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยเหมือนเราลองไปประพฤติผิดลูกไม่ลูกใครเมียใครเนี่ย้องคิดดูสิมันจะมีเรื่องเวลา มีเรื่องแน่นอนนะคะพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจ ส, สี่ทุก์สมุทัยนิโรธมรรคที่พระอาจารย์กําลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะคือความทุกข์เนี่ยต้องบอกว่าอพระอาจารย์บอกว่าไม่ทุกใจใช่จริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดมาจากใจแล้วก็มันเกิดมาจากในความรู้สึกของตัวโยมเ อ, เองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนเราทุกคนเนี่ยทุกข์ก็เกิดเพราะจินตนาการของเรานั่นเองที่เราไป ไปปรุงไปแต่งมันเพิ่มเติมมันก็ทําให้ทุกข์แล้วก็ไม่รู้จะออกไปจากอ่างใบนี้ได้ยังไงอะเจ้าค่ะบางทีเนี่ยเรามองความทุกข์เนี่ยถ้าเรามองไม่ไม่ชัดเจนเรามองแล้วเราอ่ามองไม่ขาดเนี่ยนะมันก็เรียกว่าหาต้นเหตุของความทุกข์ไม่เจอใช่เจ้าค่ะอ่ามีเคยอ่านหนังสือบางเล่มเลยนะท่านก็เหมือนว่าท่านก็จะเขียนว่าเหมือนเราที่ว่า เรามีวิธีการแก้ทุกเนี่ยหลายหลแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ทุกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการเลี่ยงความทุกข์หรือเปล่าสมมตินะใช่ แ, แใช่ใชสมม่สมมติสมมติว่าเราเรามีหนี้อยู่นะก็จะมีพวกมาตามทวงหนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ทุกข์ใจมากเขามาตามทวงหนี้เราตลอดเลยแล้วเราจะทําไงล่ะโอ้ล้วก็อึดอัดนี่อย่างนั้นเราหนีไปเข้าโรงหนังดูหนังสักเรื่องดีกว่า มันก็เพลินเพินเพลินไปนะแต่กลับออกมาจากโรงหนังแล้วเราก็ยังโดนเจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ความทุกข์กันอยู่วิธีที่เราแก้ความทุกข์อยู่นะมันเป็นวิธีแก่เบี่ยงเบนความทุกข์หรือเปล่าก็ต้องอันนี้ก็ต้องคอยสํารวจดูว่ามันมันใช่ไหมนะแต่สิ่งที่พระเจ้าเนี่ยเสนอทางแก้ทุกข์เนี่ยเป็นทางแก้ทุกข์จริงๆไม่ใช่ ก็มีทั้งส่วนที่บรรเทาให้น้อยลงแล้วก็ส่วนที่ทำให้ทุกนั้นเนี่ยขาดหายไปแล้วไม่กลับกวาเดิมขึ้นมาใหม่ได้ค่ะอยากให้พระอาจารย์พูดถึงวิธีแก้ทุก์แบบง่ายๆให้ท่านผู้ฟัง ท, ที่ที่รับฟังอยู่นะคะอาจจะคิดตามอย่างเช่นอาจจะยกกรณีสักกรณีหนึ่งเพื่อเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้าเราทุกเรื่องเนี้ยสิ่งเราควรจะคิดแบบไหนเพื่อที่จะให เราแก้ทุกข์ได้จากใจจริงๆเจ้าค่ะอก่อนที่เราจะแก้ทุกข์ได้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าว่าก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้อถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราถึงอยากจะแก้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นสิ่งเริ่มต้นกระบวนการอันแรกคือเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ซะก่อนทีนี้พอเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือรู้ว่าอะไรเนี่ย มันเป็นเหตุของความทุกตัวนั้นอันนี้สำคัญน ะ, ะเพราะว่าถ้าเราอไม่รู้จักเหตุของความทุกตัวนั้นๆจริงๆเนี่ยมันเหมือนเราเกาอะเราเกาเกาเกาแต่มันไม่ถูกที่คันสักทีหนึ่งเนี่ยมันไม่หายนะเพราะนั้นการที่เรารู้เหตุของความทุกว่าทุกตัวนี้มาจากไหนจริงๆเนี่ยอันนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่จะทให้เรารู้ต่อไปว่าเราควรจะ เอาอะไรมาแก้เราจะดาเนินยังไงในกระบวนการที่เราจะแก้ทุกข์อันนั้นนะให้หมดไปได้ส่วนมากเด็ ก, ดกวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะความทุกข์ของเขาก็ถ้าถามถามก็จะเป็นทุกข์จากความรักรักเขาเขาไม่รักเราหรือว่ารักเขาแล้วแล้วเขาก็ไปรักคนอื่นเด็กวัยรุ่นก็จะมีเรื่องเนี้ยทีเ่เป็นเรื่องทุกข์ทุกข์จากความรักที่เหมือนกับเราไม่ไม่สมปรารถนาไม่ถูกจิตถูกใจก็เลยเป็นทุกข์ อรขง่นนนะจะแก้ยังไงดีเจ้าคะคือเราก็ต้องมองมองอย่างเข้าใจนะคือหนึ่งเนี่ยความรักเนี่ยมันมันก็จัดอยู่ในประเภทความอยากอันหนึ่งนะอยากให้เขาาเป็นของเราอยากให้เขาอยู่กับเราอย่างนั้นนะ่ะอยากให้เขาเติมเต็มความสุขให้เรานะอันนี้ก็เป็นจัดประเภทที่ว่าความอยากอันหนึ่งนะแต่ทีนี้ก็เอาแหละถ้าเรายังไม่ไม่มองถึงให้มันละเอียดขนาดนั้นเนี่ย เราก็ลองมองก่อนว่าอันนี้จะยกยกเคสอันหนึ่ง <Okay. S 1> เคยคุยอยู่พวกเด็กวัยรุ่นนะ <Okay. S 1> ก็พยายามอยากจะให้เขาเข้าใจอะนะก็เลยลองถามาว่าเคยเหงาไหมล่ะบอกเคยเหงาเคยเหงาก็ถามว่าเร่งเหงาของเธออยู่ตรงไหนล่ะก็ยังง ง, งงอยู่ก็เลยถามแล้วก็ชี้เป้าก็ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงตัวเราเนี่ยเหงาเหงาเขาก็ชี้ไปตรงศรีรษะนะเขาบอกเหงาเหงาอยู่แถวแถวนี้แหละ อยู่ที่ความคิดอยู่ชี้ตรงหัวแล้วบอกอ้างเหงาอยู่ในหัวเธอเหรออ่าอ่ทีนี้ทีนี้ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วความเหงาเนี่ยถ้ามันไม่คิดแล้วมันเหง า, าอ่ะมีไหมล่ะอ่าอย่างนี้ก็เริ่มไต่ตองเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะพยักหน้าว่าเวลาที่ไม่คิดเนี่ยมันก็ยังมีความเหงาอยู่ mm hmm. แสดงว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความเหงาลนะเออแล้วเหงามันอยู่ไหนล่ะมันก็ไปขโมดอยู่ตรงว่าเหงาอยู่ที่ใจนี่แหละ ใจใเราเหงานะเป็นอารมณ์ความเหงาเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นบางทีบางคนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องความคิดกับเรื่องของของของจิตเนี่ยเอามาปนกันเลยเป็นอันเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แยกออกมาเราจะไม่มีวิธีการที่มันจะจัดการได้เหมือนกับเราห้องเรายังรกรุงรังมากเลยแล้วเราก็ทํางานไม่สะดวกเพราะฉะนั้น<ล>เราก็ต้องเคลียร์จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะจัดการได้อย่างดีแล้วก็เด็ดขาได้อย่างเรื่องจัดการกับความเหงาทํายังไงดีเจ้าคะจัดการความเหงาเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนะี่ยเรารู้ก่อนว่าความเหงามันอยู่ตรงไหนทีนี้ถ้าเราเห็นว่าความเหงาไม่ใช่ความคิดนะอันนี้โยงไปถึงอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นความโกรธก็ดีอะไรก็ดีเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าสมุดฐานคือที่เกิดของมันเนี่ยมันเกิดที่เดียวกันก็คือว่ า, ามันไม่ได้เกิดที่ความคิด ความคิดมันเป็นแค่อาการชั้นหลังของความเหงาก็ดีหรือความโกรธก็ดีเนี่ยเพราะใจมันมีอารมณ์อันนั้นมันทําให้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับเข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดเราก็ยังมีเหงาอยู่มีโกรธอยู่ได้เพราะนั้นเราก็เล็งเข้าไปที่ใจเราเลยว่าอ๋อนี่นะความเหงาเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจแล้วมันเป็นเรื่องของใจเนี่ยเราต้องแก้ที่ใจนะแล้ว อ่การที่เราก็ดูว่ามันเกิดมายังไงก่อนถ้าเรายังดูว่าเกิดไม่ทันแล้วก็ดูว่ามันดับยังไงแต่ที่นี้บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้ทีนี้ก็ต้องมีวิธีการที่ว่ า, าจะทำยังไงดีแล้วก็ต้องคอยสังเกตนะก็เลยลองถามเขาไปว่า เ, เวลาเวลาที่ที่เหงาเนี่ยนะมันต้องมีสาเหตุก่อนสมมติว่ามีเด็กไวรุ่นเนี้ยชอบกันจีบกันเป็นแฟนกัน ก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วการที่เราเนี่ยรักขารักกันเนี่ยรักเขาเนี่ยเราเนี่ยทำให้เรารักเขาเท่าไหร่จากร้เอร์เซ็นต์นะเจ้าค่ะแล้วเขามาทาให้เราไปรักเขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเราเราเนี่ยที่ทำตัวเองให้เวรักเขาอะมากกว่าทีนี้อย่างตอนนั้นนะเราลองคุยเนี่เขาส่วนใหญ่เขา จะตอบว่าห้าสิบห้าสิบหมายถึงว่าถ้าเราทําให้เขามารักเราเนี่ยอ่าไม่ใช่ขอโทษถ้าเราทําให้เราไปรักเขาเนี่ยก็ต้องห้าสิบสี่ไม่งั้นมันสองคนเนี่ยมันต้องเหมือนตบมือเนี่ยมันตบมือข้างเดียวมันก็ดังยากนะทีนี้เราก็เลยว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็น์ในสัดส่วนที่เราสรุปนะอันนี้เป็นประสบการของเรานะเจ้าค่ะก็คือว่าเราเนี่ยทําตัวเองเนี่ยให้ไปรักเขาเนี่ยแปดสิบ แล้วก็เขาเนี่ยทําให้เราไปรักเขาเนี่ยแค่ยี่สิบฟังแล้วมันอาจจะมึนม น, นิดนึงนะอาจจะงงนิดนึงเจนะ้าค่ะให้พระจะอธิบายนีแ ต, นแต่ก็ไขครวนดูแล้วก็จะไม่ค่อยงงกับคําถามนะบางทีเดี๋ยวมันมีเขาเดี๋ยวมีเราอาจจะงงงนิดนึงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยมันจะภาพมันจะชัดเจนขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนที่เขาจีบกันก็ดีเอายุคสมัยแบบว่าไม่มีเพจเจอร์เลย อืมจะค่ะอ่นเอายอดไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กนักเรียนจีบกันสมมตินะก็เจอกันที่โรงเรียนอ่ะเอาให้มันชัดเจนขึ้นเองนิดนึงก็คืออ่ะอยู่ในห้องกันก็ได้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วสิ่งที่เจอคือว่าถ้าเกิดดีขึ้นหน่อยก็คือนั่งติดกันนั่งใกล้กันนะ่่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะอยู่กับเราเนี่ยก็คือเวลาในห้องเรียนกินข้าวก็อาจจะไปอยู่ด้วยกันซึ่งอติให้ว่าวันหนึ่งเนี่ย แดชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านเนี่ยอีกเท่าไหร่ละ่ะอีเล็กแคขักอีกสิบหกชั่วโมงนะแล้วเราลบเวลานอนไปแปดชั่วโมงก็เหลือแค่แปดชั่วโมงเพราะฉะ้นแปดชั่วโมงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันห่างกันอนะห่างกันถึงสิบกชั่วโมงเลนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีมเวลาแค่ในแปดชั่วโมงดีที่เราไปอยู่ ที่โรงเรียนอะได้เรียนด้วยกันได้นั่งใกล้กันก็จะเจอแปดชั่วโมงนะแต่ว่าแต่ก็เรียนคนละหอ้องหรือว่า อ, อไม่ได้นั่งใกล้กันก็ไม่ได้เจอกันนานมากขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจากแปดชั่วโมงอะหลือเต็มที่ก็สี่ชั่วโมงลนะโดยประมาณนะเพราะว่าพักกินข้าวให้ชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการที่ว่าเขาเนี่ยทําให้เราไปรักเขาได้เพราะว่าเจอการหยอดคำหวานใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ จะทำให้เราประทับใจแล้วเกิดความรักขึ้นได้แต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากตัวนั้นนะคืออะไรเรากลับมาบ้านเราก็มีความประทับใจโอ้วันนั้นนะเขาทําแบบนี้ให้เราก็ซื้อของให้เรานะพออีกวันหนึ่งกลับมาที่ห้องนี่แหละเห็นของอันเดิมเห็นตุ๊กตาตัวเดิมเราก็มีความรู้สึกประทับใจซ้ำเข้ามาอีกซ้ำเข้ามาอีกซ้ำเข้ามาอีกอยู่เรื่อยๆนนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเติมก็คือเราเติมความรู้สึกของเราเองเนี่ยให้เราไปรักเขาเนี่ย ทางตาที่เราเห็นของที่เขาให้ก็ดีบางทีก็เขาอัดเพลงมาให้เรานาะมาเปิดฟังแล้วก็ปลื้มใจนีนะส่วนมากก็มาจากความคิดนี่แหละว่าเราไปนุ่นด้วยกันนะมานี่ด้วยกันนะนี่แหละเป็นการที่เราเติมเติมความรู้สึกของเราเองนะไปอีกเพราะฉะนั้นโดยจึงแบ่งสัสดส่วนให้ว่าแปดสิบกับยี่สิบส่วนมากคนที่เติมนี่น่าจะเป็นฝ่ายหญิงมากกว่ามีจินตนาการแล้วก็พอเห็นตุกก๊กตาตัวนี้ทุกครั้ง ก็จะชื่นชมแล้วก็ถ้าบอกว่าเรารักเขามากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งก็จริงๆแล้วมันเป็นของสาธารณะนะไม่ใช่ผู้ชายน้อยกว่าหรือผู้หญิงน้อยกว่านะมันขึ้นอยู่กับว่าคนไหนเติมคนไหนได้ถ้าผู้หญิงไม่เติมก็มีนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าใครเติมเนี่ยความรักของคนนั้นนะก็จะมากขึ้นถ้าผู้ชายเติมผู้ชายก็จะรัก ผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงแล้วผู้ชายนะค่ะอย่างนั้นแนหะทีนี้มันก็เป็นสาเหตุให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะเติมความรักของเราอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกเหงาเนี่ยมันเป็นเพราะเราเติมเติมเติมเรากินข้าวทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันก็ต้องความกระเพาะเราก็ต้องขยายขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนคนอ้วนอนะพอคนอ้วนมันก็กินมากขึ้นกว่าคนผอมนะ พอมันต้องปริมาณมันก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยแล้วความรักเนี่ยมันเปรียบได้กับของเสีบติดนะอืมมันเหมือนว่าโดสหนึ่งเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วพอ น, นานๆไปมันต้องไกลใช่ต้องสองโดสสามโดสสี่โดสเงี้ยนะเหมือนว่าเขาเคยให้เราเนี่ยสิบหน่วยทีนี้เขาจะมาให้เราสิบหน่วยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะต้องให้เป็นยี่สิบถ้าไม่ให้ถ้าให้สิบหน่วยแสดงว่าเขารักเราเนี่ยไม่ไม่ ไม่ได้เท่าเท่าที่เราอยากได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนดีรักเราเนี่ยเขาต้องให้ยี่สิบแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นไก่มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนะความเรียกร้องก็จะมากขึ้นสามสิบสี่สิบห้าสิบเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากรณีที่ว่าทําไมล่ะไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายทําไมเธอทําให้นี้ไม่ได้ล่ะทาไมเธอไม่ทําอย่างนี้ให้ล่ะอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะหงุดหงิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้น เวลาพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อความต้องการของมันไม่เท่ากันเนี่ยระหว่างสองฝ่ายเนี่ยแน่นอนคนหนึ่งให้ได้คนหนึ่งให้ไม่ได้มันก็ระหองระแหงกันนะนะขัดแย้งแล้วนะคะใช่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็ต้องเลิกกันไปเลิกรากันไปแล้วทีนี้เราก็ส่วนมากเราก็ไปโทษเขาว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยสิ่งที่เราทํามันก็คือเราทำตัวเองนะ เราเติมให้เราเองเราไปปั้นเขาว่าเขาเป็นคนดีอย่างนั้นป้นเคนดีอย่างนี้เขาน่ารักอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูๆไปแล้วเนี่ยเราทำตัวเองนั้นเลยนะเพราะว่าความทุกข์ที่มันมาจากการที่เราอกหักครั้งนี้นะมันมาจากไหนล่ะมันมาจากการที่เรามาเติมเติมเติมเติมเติเติมเติมอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะเพราะนั้นอย่าไปมองใครว่าเป็นคนทำให้เราทุกข์เลยจริงๆแล้วเรานี่แหละทาตัวเองทุกข์เพราะตัวเองเพราะเรา สร้างเหตุของความทุกข์อันนี้ขึ้นมากับมือของเราเองถ้าเราวันนั้นเราไม่ต่อวันนั้นเราไม่ทำให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเบื้องต้น เ, เป็นวันที่เรานาเสนอนิดๆหน่อยๆก่อนส่วนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าใครอยากที่จะต้องการที่จะ ติชมให้คำแนะนำ ร, ะรายการเนี่ยก็จะติดต่อได้นะผ่านทาง Facebook ทำหน้าแฟนเพจเอาไว้เจ้าค่ะอีซีธรรมะแล้วก็สามารถที่จะอีเมลมาได้ด้วยถ้าเกิดใครอยากถามที่เป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ถามได้ที่ธรรมะ from my ก็ d h a m m a f r o m แล้วก็ M I N D Gmail เป็นธรรมะจากหัวใจนะคะเข้าสอบถามกันเข้ามาได้เชื่อว่าเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ที่ค่อนข้างจะห่างไกลวัดนะคะก็อยากจะให้มีคำถามก็สอบถามพระอาจารย์สุชาติมาได้ท่านก็จะตอบให้เจ้าค่ะเรื่องสีนี้ยังพูดไม่จบเลยนะเดี๋ยวไว้ต่อคราหน้าก็ได้ได้เจ้าค่ะมีสีนห้าด้วยศิลแปดสินสิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี เรื่องอธิบายเพเิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะก็ในรายการธรรมะสบายสบายแต่ละครั้งที่จัดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเนี่ยก็จะมีเกล็ดความรู้ธรรมะแล้วก็เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาหรือว่าหลักธรรมะหลายๆอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตเนี่ยท่านก็มีความชำนาญในเรื่องการสอนสมาธินะคะซึ่งสมาธิเนี่ยแหละจะแก้ทุกทุกอย่างซึ่งในครั้งต่อๆไปก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจใช่แฟนเพจ e e ซีธรรมะนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าการที่มีคำถามเข้ามานี่ก็จะทาให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าทุกคนในโลกก็มีคาถาม บางคนก็อาจจะติดเหมือนกันบางคนก็อาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยซึ่งคําถามแต่ละคําถามเนี่ยเวลาคนที่ได้รับฟังคําตอบไปแล้วเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้มีทุกเขามีทุกอย่างนั้นเนี่ยเขามีวิธีการที่จะแก้ทุกอย่างนี้เนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับเราได้ก็จะเกิดประโยชน์มากเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีคําถามเป็นคําถามในชีวิตประจําวันนี่แหละเพราะว่าธารรมะจริงมันเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเรา เวลาเรามีทุกเนี่ยมันก็เป็นทุกชีวิตประจาวันเราเพรา ะ, ะนั้นเราต้องแก้ทุกในชีวิตประจาวันเราให้ได้ชีวิตเราก็จะยินเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์ต่อเจ้าค่ะ น, นั้วก็วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วละ่ะเป็นตอนแรกก็จะขอลาท่านฟังไปตรงนี้ก่อน วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวาัดบวรนิเวศวิหารและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจ้าเห็นร